بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعقبة للمتقين ولا ع د و ا ن إلا للظالمين ص ل ي و س ل ِ م على شرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ا ل ى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ทราบกันดีแล้วนะครับว่าโซร์ติอุนุสทั้งสซร์เกือบทั้งสุร์เป็นการปอบใจท่านนบี ส, นสุลตาอวอาลัยอุสสลัมในการที่ท่านได้ถูกปฏิเสธและถูกต่อต้านจากกลุ่มชนของท่านซึ่งประเด็นหลัก อี่ละ سبحانه าละเจ้าปอบใจท่านนบีซุลลัลลอฮุอะลัยัสสลามไม่ท่านไดนเสียใจหรือเปลืองตัวกับคนที่ไม่ให้ราคาหรือไม่ให้ความสำคัญกับคมสั่งสอนที่พระองค์ได้ส่งไปยัง มนุษยชาติทั้งหลายเพราะคุณค่าของอัลกุรอานไม่ถึงคำสั่งสอนของเราเนี่ยคุณค่าของอัลกุรอานไม่ได้ขึ้นอยู่กับการตอบรับของผู้คนราคาของอัลกุรอานไม่เหมือนราคาสินค้าทั่วไ ป, วไปอุปทานอุปสงค์ถ้าคนต้องการเยอะของมันก็จะ แพงขึ้นยนนู้คนต้องการกุรอานกุรอานก็จะมีคุณค่ามากขึ้นงั้นจุดสำคัญที่จะให้ท่านนบีและผู้ศรัทธานี่ได้ได้ตัดข้อผูกพันกับเรื่องนี้เรื่องเรื่อ ง, องของอุลลห์ตัดข้อผูกพันระหว่างการตอบรับของผู้คน กับคุณค่าของอัลกุรอานในเรื่องนี้ก็จะเป็นบทเรียนสำหรับพวกเราด้วยเราต้องมีข้อผูกมัดกับคุณค่าอัลกุรอานตายตัวมันเป็นเหมือนราคาหุ้นที่ไม่ได้รับผลกระทบจากสิ่งววดล้อมเลยคุณค่ามันสูงอยู่แล้วในจิตใจของเราคนจะเอาไม่เอาจะปฏิเสธ ไม่ปฏิเสธเนี่ยก็คงรักษาซึ่งคุณค่าของมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นซูรยุนสก็จะยูนุสก็จะก็จะมีเนื้อหาสาระใหเห็นว่าคนที่ไม่ไดศรัทธาต่อคุรอ่านต่างหาที่เขาขาดทุน คนนี้ไม่ได้รับในคำไม่ยอมรับในคำสั่งสอนของอัลลอฮ์เนี่ยเขาเหล่านั้นตัางหากที่จะเสียหายสามสี่อายาเนี่ยเจ็ดถึงสิบก็จะเป็นเนื้อหาทํานองนี่แหละโดยให้วันเกียร์มาเนี่ยเป็นที่ตั้งวันเกียร์มาจะเป็น วาระสำคัญที่พวกมุชริกีนพวกที่ปฏิสธตในยุคนั้นนะั่นโดยเฉพาะที่มักการนะที่เขารับไม่ได้เลยอย่างที่บอกเขาก็ศรัทธาในอลอระดับหนึ่งแหละว่าเป็นผู้สร้างว่าเป็นพระเจ้าถ้าเขาจะตั้งพากีกับอัลลอ์โดยมีพระเจ้าอุปโลกแต่สิ่งที่เขา ยืนยันมากะนนับทานนบีสุลต่าสนาสลมตลอด น, นี้ว่พูดคนเกียรมานิจะหาว่าเราจะฟื้นคืนชีพอย่างเงี้ยเราจะตื่นไปอีกรอบหนึ่งเราจะมีตัวเราเองเนี่ยตัวตนเราเองเนี่ยจะตื่นไหมอีกรอบหนึ่งเราจะมีชีวิตอีกครั้งหนึง่งไม่มีเ ป, เป็นไปไม่ได้ไม่ต้องพูดแล้วนะ อาไรละอียดที่เกี่ยวกับบนเกียรมากนี่ก็คือเรื่องเรื่องสวรรค์เรื่องนรกอะไรมีอยู่ในสวรรค์อะไรมีคือเขาเชื่อว่ะตายแล้วนี่ไม่เกิดอีกแล้วไม่เกิดไม่มีไม่มีชาตินุ่งชาติหน้าชาไม่มีแล้วมีชาตินี้ชาติเดียวศาสนาอื่นอันนี้คุณคนเขาเรียกกันในวิชาศาสนาเขาเรียกกันพวกดุรีอะดุรีนี่ก็คือ ก็คือชีวิตนี้ชีวิตแล้วก็แล้วไปเดียวไม่มีแล้วคนปรโลกหรือชาติหน้าหรือหรือเวรกรรมอะไรไม่มีเขาก็ไม่มีเลยนะซึ่งคนที่ปฏิเสธปรโลกนี่คุยยากนะคุยแล้วคนอย่างศาสนาพุทธเนี่ยยังเชื่อว่ามีสวรรค์มีนรกคําว่าปรโลกเขาก็มีนะยังพอ คุยได้ยังยั ง, ย, ง, ย, งยังมียังมีพื้นฐานที่พอที่จะคุยกันได้แม้กระทั่งความเชื่อเกี่ยวกับเกี่ยวกับเวรกรรมต่างๆเนี่ยมันก็มันก็อธิบายได้ว่ามันอาจจะถูกบิดเบือนถูกเปลี่ยนแปลงจากความเชื่อดั้งเดิมที่ถูกต้องจากพระเจ้าเนี่ยว่าโลกหน้าเนี่ยมันเป็นยังไงนะว่าโลกหน้าเขาก็มีนะเขาก็เชื่อมีโลกหน้าเขายังพอคุยได้ ให้คนที่บไม่มี่คนเกียร์ไม่ไม่มีแล้วสมมติว่ า, ม, ม, วามีคนโซลิมมีคนเป็อธรรมคนอ่อนแอคนอ่อนแอบอกโอ้ามาไปไล่เดี๋ยวโลกหน้าเจอกันไม่มีไม่เจอกันไม่เจอกันที่นี่ที่เดียวคุยยากจึงเป็นคนเป็นเหตุผลของใครมีอํานาจบารมีมีอะไรนี่ก็เต็มที่เลยไม่เขาไม่กลัวพระเจ้าพระเจ้าเขเยอะเนี่ย แล้วคนรวยเนี่ยเวลาเขาทางตันแล้วเนี่ยเขาก็ไปหาพระเจ้าอุปโลกพระเจ้าให้ตัวเองแล้วก็ไม่ใช่เราที่สนองความประสงค์ของพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าที่ต้องประสงค์ความสนองของเราสังเกตดูนะคนรวยเนี่ยเขาก็จะอุปโลกในในเมื่อในเมื่อพระเจ้าเนี่ยมันไม่มันไม่ได้มันไม่ได้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์ แต่จะเป็นความเป็นไปตามความต้องการของเราเนี่ยน ะ, จะเจ้าเยอะแยะไปหมดเลยเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็ยิ่งไม่เชื่อในวันปรโลกเลยนะวันแห่งการตัดสินการตอบแทนนะถ้าไม่เชื่อแล้วนี่ถึงสังคมอารัฐก่อนยุคอิสลามเนี่ยเป็นสังคมที่มีความอธรรมมีสุลุ่มที่กว้างขวางมากนึกดูสิเผ่าไหนเขา เขาจนนี่ยปศุสัตว์เขาตายเกษตรเขาเสียาสหายทำยังไงปุ่นปุ่นพานังรบไปปุ่นอีกเผ่าหนึ่งไปเอาปศุสัตว์ของเขาไปปุ่นไ ป, ปุ่นเสบียงของเขาเป็นเรืมมาา่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติเลยเป็นวิธีการทำมาหากินที่มีความชอบถึงขานาดที่ เอ้ยใ ค, ใครจะรบก็รบนะแต่มีสี่เดือนเนี่ยที่ตรงห้าวสี่เดือนอี่ไม่ได้นะนี่อย่าอย่าป้นกันนะนั่นหมายรวมว่าอะไรหมายรวมว่าถ้าไม่ยี่สี่เดือนนี่ยังไงป่นได้จึงเป็นเรื่องสำคัญบทเรียนที่เราจะได้จากสองสมัย น, นี้เป็นบทเรียนสำคัญมากสำหรับสำหรับคนที่ท้อใจ เวลาเห็นคนเขาปฏิเสธหลักศรัทธาต่างๆรับรู้เรื่องศาสนาแล้วก็ท้อแต่นี่สําหรับคนที่ทําหน้าที่มีบทบาทในการเผยแพร่อิสลามนะแต่ไม่ใช่เราไม่ได้เราไม่ได้เผยแพร่อิสลามเราไม่ได้นําเสนออิสลามกับใครเลยแล้วก็ท้อท้อทําไมอ่ะจะอท้อคนเขาไม่ยอมรับอิสลามให้ตัวเองไปเสนออิสลามให้เขาเห็ แต่แต่ยังไม่เสนอนะี่ก็เฉยๆก็ได้นะเพราะคือไม่ต้องท้อก็ได้นะเพราะมันไม่มีท่นไม่ได้มีบทบาทอะไรมากมายแผ่นดินไม่ได้ไม่ได้เกิดอะไรแต่ด่ า, าก็เราทุ่มเททำงานเพื่ออิสลามจริงๆให้คนได้รับรู้อิสลามซึ่งเป็นหน้าที่ของมุสล่ทุกคนเส้นต่างกันในใ น, ในรูปแบบในหน้าที่ในในรายละเอียดของการนำเสนอ ต้องเข้าใจนะว่านี่ว่านำเสนอนี่หมายถึงว่ า, อ า, วาเออเราต้องไปจับเข่าคุยเขาว่านเสนอนมีมีหลายรูปแบบเราเลือกรูปแบบที่เหมาะแต่ต้องต้องมีบทบาทสักอย่างหนึ่งสักอย่างหนึ่งถ้ามีบทบาทแล้วแล้วรู้สึกว่าเออเราทางานจริงแล้วก็มันไม่มีผลงานนะนะ่ะเนี่ยถึงจะท้อพอจะท้อแล้ววะนะเรามีเรามออีสิ่งที่จะปลอบใจ เริม galaxies, player, ่มต ah ah. ้นจากคนที per ่เขาแสดงจุดยืนก่อนหน้านี้เนี่ยในอาะต่างๆในเรื่องปฏิเสธศรัทธาปฏิเสธกุรานซึ่งปฏิเสธกุรานเนี่ยมันมีผลลัพธ์ของมันเนี่ยก็คือการที่ปฏิเสธปฏิเสธวันเกียมะหรือวันปรากฏหรือลกหน้าจะบอกว่าแต่เขาก็ศรัทธาเนาะมั่ศรัทธาเนี่ยมะ แต่เงื่อนหลการศสอิสลามเนี่ยไม่ได้มีไว้ให้เลือกเลือกสตานเลือกที่จะเชื่อตามอาเภอใจอิสลามนนะเชื่อในตนนบีมุฮัมมัดลลัลลอฮุอะลัยซลเชื่อในบรรดาศาสดาศาสนทูบรรดา ر س ูลทั้งหลายแล้วก็ เว้นวคนบีท่านหนึ่งไม่เชื่อเชื่อในนบีที่กุรอทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเลยราหมนท่ม a h ด้วยนะแต่ดุลกิฟลีสังทกรื่องนบรรดานบีอัลลอฮฺดุลกิฟลีอิลยสอิลยสีนคนเดียวกันอิลยสไม่เชื่ออิยีนไม่เชื่อ รืว่าเชื่อนตัวเชื่อเชื่อในนบีนบีฮุดเชื่อว่ามีตัวตนแต่ไม่เชื่อว่าเป็นนบีอันนี้ไม่ใช่มุสลิมนะเล่าอิละฮ์อิลลัลลอฮก็เล้ามุฮัมมัดุสุุลลอฮกเลาแต่นบีเดวนี่ไม่เชื่อว่าเป็นนบีก็ยังไม่ได้เป็นมุสลิมแต่การอิมานี่ หลักศรัทาทั้งหมดเนี่ยก้อนเดียวตรงรับไปทั้งก้อนจะมาเลือกอันนี้ชอบอันนี้ไม่ชอบอันนี้เขาท่าอันนี้ท่านสมัยอันนี้ไม่ท่านสมัยนี่ไม่ใช่มุสลิมเรื่องนี้ต้องเป็นประเด็นที่มุสลิมต้องศึกษาให้ดีเข้าใจกันให้ดีเพราะกําลังเป็นโรคระบาดกําลังเป็นโรคระบาดโดยเฉพาะในโซเชียลแะการศาสนาอะไรบางอย่างนี่โอ้เดีนี้โอ้โห แต่ก่อนโนนะเขาบอกว่ากว่าจะได้มุฟตีคนที่ให้ฟะตัวผู้รู้ที่จสอนศาสนาสามารถวินิจฉัยและกระตอบเนี่้บางทีต้องเดินทางกี่ลีดเดินทางก็ซัดเนี่ยกว่าจะได้อุลามะที่ฟะตัวเนี่นี่มุฟตีนี่ตามทิกตอกนี่เพียบเลยเพียบเลยบุกประเด็นสักประเด็นหนึ่งมาแล้วบัรดามุฟตีทําไม่เป็นายเรื่องนี้ในศาสนาไม่เป็นไรทําไปเถอะ อ๋อนี้เรื่องเล็กเรื่องนี้ไ <laughs> ม่ใช่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เยอะมากเลยนะเนี่ยมันด้มุฟติทั้เราต้องเผยแพร่ให้คนเข้าใจให้ดีนะการที่จะเลือกละการศาสนาทีมันไม่ดีอยู่ที่มันไม่ดีอยู่ที่ตัวเราชาวมักการเนี่ยมุสลิมีชามุสริกินี่มากการเนี่ยเขาเชื่อเนี่อัลลอฮ์แต่ไม่เชื่อว่าเขาจะพบอัลลอฮ์ในบารโลคิดดูสิ เชื่อในอัลลอฮ์แล้วนะว่าอินชาอัมันสมาและอัลลอฮ์ไม่นด้บอใครที่สร้างโลกนี้ฉันฟ้าแล้วผปนดินนั่งใครที่สร้างอัลลอฮ์ไม่ด้บอกว่าใครเปยินยันเชื่อในอัลลอฮ์เชื่ออัลล์เป็นผู้สร้างนมแต่ไม่เชื่อว่ามีวันปรโลไม่เชื่อว่าเขาจะพบอัลลอฮ์ในวันปรโลอัลลอ์ก็เลยตเขาว่าอินนันะ لا يرجون ل ق ا ء ن ا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. ت ท้ ي บรรดาผู้ที่ไม่หวังจะพบเรา،ไม่หวังจะพบเรานี่ก็คือไม่ไม่เชื่อว่าเขจะพบเราถ้าใช้คำว่า،ไม่หวัง،แสดงถึงว่า ل ึก ل ึกเาเนี่ย، ل ึก ل ึกเาเนี่ยเขาเขาอาจจะมีความเชื่อระดับนึง ว่ามันอาจจะมีปรโลกอาจจะมีปรโลกอาจจะมีโอกาสที่จะพบพระเจ้าจริงๆแต่เขาไม่อยากเชื่อว่านี้มันจะมีแบบนี้ซึ่งจะมีมนุษย์ปรุพิธนึงไม่ใช่ผู้ปฏิเสธความจริงเขายอมรับในความจริงลึกๆเนี่ยเขายอมรับ คนนี้เนี่ยพวกนี้เนี่ยก็เป็นพวกที่โง่ที่สุดคนที่ปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงอะ น, นะไม่ไม่เชื่ออัลลาไม่มีไม่ไ ม, ม, ม, มีแต่คนที่เชื่อว่อัลลอฮ์มีลึกๆมีเชื่อแต่ไ ม, ไม่ยอมรับโง่ที่สุดแล้วเขาเนีกว่าการที่เขาปฏิเสธต่อหน้าคนนี่นะมันจะเป็นเหตุผลสําหรับเขาที่จะพ้นจากบาปเพราะเขาไม่เชื่อนะี่ คนที่เชื่อว่าจะพบอัมโมแต่ปฏิเสธลึกๆยอมรับในความจริงแต่หนีความจริงด้วยการปฏิเสธความจริงเหมือนคเนเฮ้ยไปเรียนศาสนาไปรูด้ดิอะไรถูกต้องไม่ถูกต้องอะไรบาปไม่บาปไปรู้หรือไม่เอาไม่เรียนนะทําไมอ่ดะดทถรู้ดทะรู้มันยุง่งถ้ารู้แล้วนี่มันยุง่ง เดี๋ยวไอ้นุ่นไอ้ที่กูทําทั้งหมดเนี่ยไอ้นี่กับบาอินุ่นกับบาแล้วก็เธาเป็นแบบนั้นน่ยดูกูเลิกไม่ได้วิธีที่ที่สุดเนี่ยไม่ต้องรู้นี่ก็แบบนี้เนี่ยแต่แกแกปัญหาแล้วไม่ใช่ก็บาเมือนกันน่ะคือคนนี้คนนี้ไม่อยากรู้ก็ปัญหาเหมือนกันเพิ่มบาอีกนะ ไม่ยอมศึกษานี่เพิ่มบาปอีกบาปนึรงร่วมกับบาปที่ตัวเองทําอยู่แล้วก็ยังสงสัยว่ามันบาปหรือไม่บาปให้สงสัยเนี่ยไปถามว่าไม่ถามมาถามดูกรู้แล้วมันจะยุ่งอะ่ะอย่างงั้นไม่ถามมันจะได้ทําได้นี่วง้งงที่สุดเลยอ่ะประเภทนี้ง้อที่สุดคือนึกว่าการนี่ไปรู้นี่นะทําให้ตัวเองหนีพ้นบาปไม่ใช่เป็นการเพิ่มบาปแล้วก็เลยโตัวพวกเขาแท้จริงบรรดาผู้ที่ไม่หวัง ไม่หวังจะพบเราอ้ยานี้เนี่ยมันไม่ได้กัดกับอายะอื่นๆที่จะพูดถึงการพบรายละเอียดในการพบกับอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวดาระซึ่งมีรายละเอียดในกุตัานว่าพบนี่ก็หมายถึงว่าเห็นเห็นอัลลอฮ์วิจูห์ยุมไหดินนา ظ ر ة إلى ربها ناظرة إن الله الذين أحسنوا ل ح س ن وزيادة رق قطر ولا رق و جههم قتروا ل ا ذل ل ใ ن في حديث س ن ح ا ن ه و ل صلى الله عليه وسلم، كان ي ب ن ي حب، 然 ك س ا ن الله. ไม่ใช่พบแบบเราเจอกระสันเรียบรับสะดิ สนทนาพูดคุยพูดคุยกับมุบันวนาวารและสัผู้สถัานี้ก็จะรู้สึกถึงความอบอุน่นและก็จะสัมผัสกับพบระบารมีของมัจจุบานวนาวตารอะไรอย่างใกล้ชิดอย่างใกล้ชิดพบทำไมต้องพูดเรื่องนี้เพราะมีกลุ่มบวกมั่วต่จละเนี่ยซึ่งเป็นกลุ่ม ที่หลงผิดในเรื่องการตีความตีคุณลักษณะของโนสวาเขาบอกว่าพบนี่ก็พอบเพียงเดียวอย่างอื่นไม่ใช่ไอหมอตาเสีนี่ยเขาปฏ่เสธโดนแกมาก่านี่ไม่เห็นอัลลอฮ์หรอกเขาเห็นอัลลอฮ์ไม่ได้ทำไมแต่เห็นอัลลอฮ์เนี่ยไอรอบเดิมนะเหมือนเรื่องอัลลอฮ์สถิตบนบัลลังก์ถ้าอัลลอฮ์สถิตบนบัลลังก์แสดงว่ามีบนมีล่างมีพื้นที่จํากัดมีมีม คือเขาจินตนาการไว้แล้วว่าอัลลอฮ์เหมือนเราเขาจินตนาการไว้แล้วเขาเขาตั้งค่าไว้แล้วฉะนั้นถ้าสถิตนี่ก็เหมือนกันมองเห็นอัลลอฮ์แสดงว่าสายตาของของเรานี่สามารถจํากัดจํากัดอัลลอฮ์ว่าอยู่ตรงไหนถ้าจํากัดแสดงว่าอัลลอฮ์นี่จำกัดอัลลอฮ์ไม่จํากัดแสดงไม่เห็นไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ นีก็เหมือนเงินหนีหนีความหนีปัญหาด้วยการปฏิเสธไม่มีไม่มีไม่มีอัลซุนนะวันเจมาะยินยัว่าทำอัลกุรอานทา حديث ท่านนบีซัลลัลลอฮุวะลัยฮุสัลลัมว่าผู้สัตนีเหินอัลลอฮฺูู้คุยมากกว่านั้นในบนทดกของบุคารีและมุสลิมอัลลอฮฺ س ب ะทรงรียกทรงรียกผู้สต บีเซอตินดนนายบุคฮารีเรียกผู้สัจ ด, ด้วยเสียงของโปรง่งด้วยเสียงเสียงพราะไม่เหมือนเสียงเราแต่จะได้ยินด้วยเสียงเพราะมอเตอิลไซคนี่ไมีอ่าแล้วเราจะคุยกันย ง, งไงอ่ก็ไม่คุยทนั้ง ท, งที่ตัวบทนี่มันเอื้ออยู่แล้วให้เราเข้าใจง่ายๆ เสียงของ Allah นี่ฮะดีสนี่บอกว่าฟังเสียงเขาผนขรุบกับผนบ้าุดะคืจะได้ยิน Allah ลลคนไกลหรือคนไกลนี่นะได้ยินเสียงเท่ากันอันนี้แสดงว่าเสียงพระองค์นี้ไม่เหมือนเสียงพวกเราทั่วไปพวกเราต้องใช่นี่คนไกลนี่ไม่ได้ยินหรอกเหมือนคนไกลคนที่ไม่อยากพบ Allah سبحانه และก็คือตัดขาดกับวนพรโลกแน่นอน ผลลักธ์ที่มันต้องเกิดขึ้นนี่ก็คือเขาก็ต้องสนใจกับสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวว่าเราดูบิลไห า, าติดดุนเนและพวกเขาพอใจต่อชีวิตในโลกดุนยาชีวิตในโลกดุนยาแสดงว่าเรายิ่งศรัทธาในวันเกียรติ ยิ่งมีความเชื่อในการพบพบกับอัลสลานดาวดารในวันเกียมาเราจะไม่หลงดุนยาเท่านั้นยิ่งเชื่อในปรโลกหลงดุนยาหน่อยศรัทธาต่อปรโลกศรัทธาต่อการพบกับอมร์ในวันเกียมาเสื่อมลงหลงกับดุนยา ยิ่งมีมากขึ้นถ้าจะมีหันีิทรงท่านในพีพูดถึงปรเด็นนี้ว่าตัวอันโนบิฮหและว่าเขาดีใจต่อมันดีใจตัวอันโนมีความสงบใจปติยินดีต่อมันต่อดุ n y าหมายถึงว่ามีความเพียงพอแล้วสําหรับดุน y a เขาในชีวิตเขาในนั้นถ้ามี dunya นี้นล้วเขาก็โอเคแล้วจบแล้ว แต่สำหรับผู้ศรานี่ไม่ใช่ไ ง, งความผาสุกในโลกดุนยานี้เนี่ยมันก็นยังคงเป็นความสุขชัวข่วคราวเขาจะไม่พอใจจนกว่าจะได้ความสุขที่สมบูรณ์ของมนแษยมาสังเกตได้เลยทุกความสุขในโลกดุนยานี้ย่อมมีความบกพร่องแฝงอยู่ในตัวทุกอย่างเลยความสุขทุกอย่างกินเหล้าก็มีความสุขนะแต่สุดท้ายทาําอะไร ป, ป, ปัวดัวอาเทียนสุบรีมีความสุขไหมโอ้โหอ้ตรงนเวลาก็สุบริกันไอ้นัน้นไอ้นนน่ยคือโมเมนของความสุขนงแต่ไม่ดูตอนนอนติดเตียงจอคอไงไม่ไม่เห็นในยบันปายเป็นยังไงไงฮะสิ่งเสพติดทั้งหลายกินอาหารอร่อยนั่นแหะความสุข แต่ทําไมเวลาเข้าห้องน้ําเขาเรียกว่าปล่อยทุกข์กไอ้ทุกข์ที่เองพึ่งพึ่งเสวยเมืตอกี้เนี่ยไป เ, เรียกมันทุกข์นะปล่อยทุกข์ทำไมมันกลายเป็นทุกขนะ์อ่ะทุกความสุขเนี่ยมีทุกแต่คนคิดออกมาในสวรค์ น, นี่คิดดูสิ เศษอาหารเนี่ยมันจะออกมากเห็นไม่มีไม่มีอุจจาระไม่มีปัสสาวะนะจอกเป็นเหงื่ออย่างเดียวนะเศษอาหารน้าอะไรที่บริโภคออกไปเงื้อนี่นะเป็นน้ําหอมเป็นสมุทเชียงไม่มีมันไม่มีอะไรที่แฝงเป็นบางทีกินอาหารอรอร่อยกินเยอะไปหน่อยปวท้องอยวดท้องมันไม่มีอะไรสมบูรณ์เลยในโลกดูงนี้เีนี่กระสแล้วก็เป็นหลักเกณฑ์ที่ ชาวซาลาบเนี่ยรอ้บอ่ผนอับชีเอนฟ وقحق ี ع ูคิมะบิใหรมานีผู้ใดที่ชอบอะไรเกินเหตุหมายถึงว่าหลงสิ่งเหล่านั้นเกินหีุก็จะถูกลงโทษในสิ่งนั้นน่ะให้ให้อดอยากในสิ่งนั้นน่ะหรือถูกทรมานในสิ่งนั้นหลงดุนยา ก็จะถูกทรมานด้วยดุนยาหลงสตังก็จะก็จะถูกลงโทษด้ว ย, ด, วยด้วยสตังหลงอำนาจยังไงยังไงหลงอำนาจเห็นมหมเห็นมหมแค่คลิปคลิปเดียวคลิปหลุดคลิปเดียวเนี่ยเนี่ปวดหัวเลยปวดหัวเลยอำนาจ หลงอำนาจก็จะโดนด้วยอำนาจนี่แหละหลงกับเรื่องอาหารการกินนี่ก็จะโดนด้วยอาหารการกินหลงด้วยอะไรหลงด้วยสิ่งอบายามุกทั้งหลายนี่ก็จะถูกลงโทษด้วยสิ่งอบายามุกหล่้เนี่มันเป็นกฎเกณฑ์ในโลกดุนีย์นี้ฉะนั้นดุนีย์นี้เนี่ยเราอย่าพอใจต่อมันและเราอย่าเพิ่มปิติดีใจต่อมัน ทำยังไงเราต้องอยู่ในโลกดุนยานี้โดยความระแวงโดยความหวาดกลัวดุนยาไว้ใจไม่ได้เพราะดุนยานี่มันจะเป็นสิ่งเล็กน้อยที่จะถูกแลกเปลี่ยนกับอาคีรอกับปวรูปแต่หากว่าเรายอมหลงไปตามดุนยานั่นหมายถึงเรายอมแลกแลกอาคีรอ ด, ด้วยดุนยา ผู้ศรัทธาเนี่ยก็จะต้องใช้ชีวิตในโลกนี้หนูในความระมัดระวังเหมือนคนเข้าไปในป่าไงาจะอยู่ในป่าแบบสบายๆไหมไม่ต้องเข้าในป่าต้องเข้าในทุงน่งนาอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องระวังตะขาบหต้องระวังงูต้องระวังลุงยานี่ก็ต้องเดินแบบประมัดระวังวันละีนั่งมันอายที่นา่งฟิลูน และบรรดาผู้ละเลยต่อสัญญาณต่างๆของเราและเลยต่อสัญญาณก็หมายถึงว่าเพิกเฉยต่อคําสั่งสอนคนเหล่านี้เนี่ยอัลลอฮ์จะตอบแทนเขายังไงนี่อุล่าอิกะมะอวยฮุมุนนารุบิมาการุยักษ์ซีบุลชนเหล่านั้นชนเหล่านั้นน่ะคือใครอะคนที่ไม่ได้วังว่าจะพบอัลลอฮ์คนที่พอใจในโลกดุน ي านี่และเพิ่มปิติในโลกดุน ي านี้ และก็ละเลยสัญญาณก็หมายถึงว่าคำสั่งสอนของเราแล้วเนี่ยชนเหล่านั้นที่พำนักของพวกเขาคือนรกเนื่องด้วยพวกเขาขนขวายเอาไว้เนื่องด้วยสิ่งที่พวกเขาเนี่ยสะสมขนขวายเอาไว้สำหรับคนที่ไม่ได้ศรัทธาไม่ได้เชื่อในการพบกับอนุสุภานวาระที่วันเกียร์มาเนี่ย มันจะไม่ทําให้ผู้ศรัทธานี่นิ่งนอนใจ ร, รู้สึกสบายใจอ๋อนี่เอามาพูดถึงคนที่ปฏิเสธปฏิเสธการพบอัลลอฮ์แต่เราศรัทธาเชื่อเชื่อในการพบอัลลอฮ์เชื่อทุกคนเชื่อนะผู้ศรัทธาเชื่อนะเชื่อว่าเราจะต้องพบอัลลอฮ์ฟังให้ดีนะเราเชื่อไหมเชื่อ อยากพบอัลลอฮ์ไหมชอบที่จะพบอัลลอฮ์ไหมอันนี้เนี่ยแม้จะดังศรัทธาแล้วว่านะศรัทธาว่าจะพบอัลลอฮ์แล้วถ้าจะพบอัลลอฮ์นี่เราเราพร้อมไหมเราเรามีการงานเพียงพอมไหมที่จะเอาไปสนอต่ออัลลอฮ์ มันก็เลยเกิดอีกระดับหนึ่งของการปฏิเสธถึงแม้ว่ามันไม่ได้ปฏิเสธอย่างสิ้นเชิง ulla ma ก็ไม่ได้กว่ากุฟรานุลจูฮูดไม่ได้เป็นการปฏิเสธสมิทนะยอมแต่เป็นการปฏิเสธ สิ่งที่เป็นหน้าที่ที่ต้องทำจะได้มีความสมควรในการพบกับอัลลอฮ์สุภาพนาห์ดาร์รู้ว่าต้องพบกับอัลลอฮ์สุภาพนาห์ดาร์ละและรู้ว่าอัลลอได้กำหนดว่าชีวิตของตัวเองนี่ต้องทำอะไรจะได้พบกับอัลลอ์ในสภาพที่ปลอดภัยแต่ไม่ยอมประพฤติปฏิบัติไม่ยอมให้ชีวิตของตัวเองนี่อยู่ในสภาพที่อัลลอฮ์พอพระทยจึงไม่มีความปรารถนา ที่จะบอัลลอฮ์สุบฮานาวาตาทุกคนเนี่ยรู้ตัวเองว่าฉันมีบาปฉันมีความชั่วฉันมีการงานที่ไปทำคนอื่นที่ไปล่วงเกินคนอื่นแต่วันเกีมม้ยมามีโอกาสพบกับอัลลอฮ์แล้วที่แสดงง่อนอัก็ต้องสอบสวนอัลลอฮ์ต้องสอบสวนเพราะส่วนหนึ่งของการพบอัลลอฮ์สุบฮานาวาตาแล้วก็คือการที่อัลลอฮ์จะสอบสวนเราทุกอย่าง เรื่องเล็กและก็เรื่องใหญ่ต่อหน้าพระผู้เป็นเจ้าด้วยสมุดบันทึกการงานของเราทั้งหมด و ت ت ان ان ว وقال وما لهذا ال الكتاب هو بهذه ت ع ะ ي الله هو بعنى ون ون بروLOG نجبوه تَمَايَ سَمُودَ بَنْتِ لا يُغَادِرُ ص َ غ ِ ي ر َ ة ร وَلا كَبِيرَةَ ไม่มีกิจการใดๆจะเล็กจะใหญ่ก็ตามเว้นแต่ถูกบันทึกพ่นีแล้วละเอียดมาก สมุดบันทึกนี้ทำไมมันละเอียขนาดนั้นเออคนที่ศรัทธาแล้วนี่ในเรื่องนี้น่ะเป็นผู้ศรัทธานะเป็นมุสลิมนะแต่เขาก็กลัวกลัวคนนี่กลัวไม่อยากจะพบอัลลอฮ์ในมีสองประเภทีประเภทอันนี้น่าสมเพชน่าสมเพชและน่าสงสารอันนี้ที่ท่านนบีพูดถึงในห a d i s นี้บันทึกโดยมันบุคารี ر َ ي ْ ن َ ع ن ْ د َ ن ع ُ بَادَ إِبْنِ الصَّامِدَ ت ن َ ب ِ ي ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م ق َ ا ل وَمَنْ أَحَبَ الِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَ اللَّهُ ل ِ ق َ ا ء َ ه ُ ح ُ و َ د َ ي ْ ت ِ ي ب َ ر َ أ ت َ ن َ ا ش َ ا ب ِ ت ِ ج َ ا ء ح ُ ب َ اللَّهِ شاب اللَّهُ ك َ ب َ ر َ أ ت َ ن َ ا ش َ ا ب ِ ت ِ ج َ ا ء ْ ك ُ ب ُ اللَّهُ ي َ أ ْ ك ُ ب ُ اللَّهُ ك َ ي َْ ب ي َ ه َ ا ل ِ ق วันรบอนนนี่มีสวยแน่มีสวยรู้จะคำตอบคำตอบทั้งหมดนี่จะตอบยังไงการิฮัลลอฮุลีกามก็จะรังเกียจไม่อยากจะพบเขาก้อนละตาอิช่าท่านอิช่าสงสัยประเด็นหนึ่งอ้าวแต่เราทุกคนนี่ไม่มีใครชอบที่อยากจะตาย ทุกคนนี่นะอยากจะห่างไกลจากความตายท่านนบีบอกวา่าไม่ใช่คือท่นานอิมัยชัยบอกว่าเรื่องความตายนี่ก็คือจุดจบเพราะมันจะไปบรรจบที่ความตายถ้าเราไม่ชอบตายแสดงว่าเราไม่ชอบที่จะพบอัลลอฮ์ถ้าเราชอบตายแสดงว่าเราชอบที่จะพบอัลลอฮ์ทั้งนั้นที่พวกเราไม่มีใครชอบตายนี่อันนี้คือตักะของท่านอิมัยชัท่านบอกว่าเลสแซกมาใช่อย่างนั้าาน มันไม่ใช่เช่นนั้น ولكن น, น์ المؤمن น, นคือเมื่อถึงอ أجل แล้วมุมม น, นี่ไม่ชอบนะ ม, มุมุนก็ไม่ชอบตายมีใครอยากตายคนนี้ไม่ใช่มุมมนแน่นอนไม่อยากตายเพราะชีวิตนี้ก็คือโอกาสเดียวก็ต้องเต็มที่สำหรับมุมิ น, นี่ก็ไม่อยากตายเพราะอะไรอยากมีชีวิตยาวนะเขาจะได้ทำความดีมากขึ้น ไม่ชอความไายไม่ชอความไายแต่มาแล้วอะเจลเนี่ยเวลาที่ต้องตายนี่มาถึงแล้วเพราะมาถึงแล้วนี่นะถ้าฮาดารุลมูตเมื่อมตความตายมาถึงแล้วเนี่ยบุชีรบิรฎวนลาฮิวการามติมาเลกานี่ที่มายดวิญญาณอัญเชิญวิญญาณให้สิ้นชีวิตนี่นะ มาพร้อมข่าวดีแจ้งข่าวดีเพราะก็ไม่ต้องกลัวนะตัวเองนี่เป็นคนดีนะตายแล้วนี่นูน่นดูนี่สวรรค์ของท่านเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ความพอพระใยของพระเจ้าจะเป็นอย่างนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะตัวเองนี่นู่นเงียเกลี่ยมากนี่เท่านู่นเท่านี้โอ้ยถ้าถูกแจ้งแบบนี้เนี่นะเขากำลังมาที่จะมาอัญเชิญวิญญาจะจ ะ, จะตายใช่ไหมแบบนี้เนี่ยก็โอ้ยเธออย่างนั้นนะ่ะนะ เออฉันอยากจะพบองคเราจริงถ้าถ้าเป็นแบบนั้นน่ะเออฉันอยากจะพบองค์เราะไม่อยากอยู่ละรีบรีบหน่อย فليس ش ะชัยุนอัพเบี่ยไรฮิ م ิมะมไม่มีอะไรที่จะชอบเบื้องหน้าของเขาเนี่นะไม่มีอะไรที่จะดีกว่านั้นแล้วเพราะเห็นลวบรไปวันปิโลกจะเป็นยังไงเนี่ยเขาก็อยากได้ฝ ا าฮับลิคว้าอัลอเขาก็เลยชอบที่จะพบอัลลอฮ์วบัลลุเราลก็จะชอบ ที่จะพบเขาเราเนี่ยชอบจะพบอัลลอฮ์นี่อันนี้เม็ดเส้นอันนี้มีเหตุผ hmm. ลเพราะเราทําความดีและชอบไปพบอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์นี่จะตอบแทนเราเราก็อยากจะได้สิ่งตอบแทนแค่ได้ยินจากอัลลอฮ์นี่ว่าเออข้าพอ่อพระใยต่อเจ้าแล้วเจ้าทําดีแล้วดิ์เชิญเข้าสวรรค์นี่อันเนี้ยเราต้องการพบอัลลอฮ์ชอบดีอัลเพราะอยากได้เจอเรื่องนี้ แต่เรามานั่งคิดล่ะกัดแล้วอัลลอฮ์เนี่ยชอบที่จะพบเราทําไมถ้าเราชอบที่จะพบอัลลอฮ์เรามีเหตุผลแต่อะไรคือเหตุผลที่อัลลอฮ์จะชอบพบเราแค่นั่งคิดเรื่องนี้นี่เราจะได้รู้ว่าเราเนี่ยบกพร่องกับอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى แค่ไหนเพียงทําตัวให้ดีเพียงมีความปรารถนาที่อยากจะพบอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์ก็อยากจะเจอเราแล้วนะ อาฮ บ, บัลลัลละห์ลิกาแล้วนบีมุกมุมอมินทุกคนนะไม่ไเป็นต้องไม่ต้องเป็นคนวิเศษเป็นนบีบริสุทธ์แล้วไม่ใช่มุมินสามัญชนคนทั่วไปนี่พวกเรานี่แหละคนธรรมดาทั่วไปทำตัวให้ดีมีการงานเพียงพอที่จะหวังในผลตอบแทนและอยากจะพบอัลลอฮ์สุบฮานะว่าราจะได้เห็นผลลัพธ์ของเรานี่นะอัลล์จะ Allah กระปรัตห์นะกรปราตหนาที ب ب ่อยากจะพบเราแล้ว่าอินน์ัลคาฟิระตัวผู้ปฏิเสธอัลลอฮ์เนี่ยถ้าผู้ที่รับมุยากามเต็มมาต์นี่กล่าวกันบุษช์ร์บีอาดับอีและอุอาห์และอุอาย์และสวยแล้วมึงดูดิการลงโทษที่เจ้าต้องพบต้องเจอนี่เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ الله. فليس شيء أكره إليه مما أمامه معناه خانم بنسنت نارن كدين كره لقاء الله وكرن كدينه الله وكره الله لقاءه ما الله كذا كدينه الله. لانه في الآية التي الله ذي ب ق و ถ้าใกล้เคียงกับคนที่ปฏิเสธที่จะพบอัลลอฮ์สุภาอัลวาดะนี่ประเภทหนึ่งคนที่หวังจะพบอัลละฮ์คนที่ศรัทธาแล้วก็อยากชอบปรารถนาที่จะพบอัลลอฮ์และคนที่ไม่ปรารถนาที่จะพบอัลลอฮ์คือคนที่ไม่มีผลงานเพียงพอที่จะเสนอต่ออัลลอฮ์หรือมีผลงานที่เลวร้ายที่ไม่กล้าที่จะเสนอหน้าต่ออัลลอฮ์ แ่มีอีกประเภทหนึ่งที่เขาไม่ไม่อยากจะพบอัลลอ์สุบฮานะอวดาละ่ะเพราะเขากลัวล l l a h อันนี้อีกประเภทหนึ่งซึ่งแทบจะจำแนกยากนะแต่มันมีจริงในหลักการศาสนานี่มีบอกถึงคนประเภทนี้จริงคนที่ไม่อยากจะพบอัลลอฮ์นี่เพราะกลัวเหรอ และกับการที่เขากลัวอัลลอฮ์นี่แหละที่จะทำให้เขานี่รอดในบันทึกของอิบรามบุคารีท่านนาบีสุลต่านเซลเลมบอกว่าในกลุ่มชนก่อนหน้าพวกท่านทั้งหลายมีชายคนหนึ่งเรียกลูกลูกเขาทุกคนแล้วบอกเขาว่าถ้าหากถ้าหากฉันได้เสียชีวิตแล้วเนี่ยเอาตัวฉันไปเผา เผาซะแล้วก็เอาอิทธาเนี่เอาเศษที่เผานี่ไปแล้วนี่ไปไปโปรยในแม่นม้ําในทะเลเนี่ให้ทุกส่วนนี่มันกระจายไปหมดกระจายไปหมดนี่ก็แสดงว่ายากที่จะฟื้นคืนชีพยากที่จะฟื้น เขาเชื่อในอัลลนะแต่เขามีความคิดและเขาไม่ได้ปฏิเสธวันบรโลกนะแต่เขาคิดว่าถ้าทำแบบนี้นะมันเป็นละอองทุลีแล้วนะนก็ยแบบนี้เนี่ยยากจะฟื้นคืนชีพฉันก็จะไม่พบอัลลอฮ์จะไม่ไม่เสนอหน้าต่ออัลลอ์เพราะฉันทำบาปว่าเยอะบอกกับลูกฉันทำบาปว่าเยอะถ้าฉันตายทำแบบนี้นะ เพราะฉันไม่กล้าที่จะเสนอหน้าต่อหลอกในนีบ้บอกว่าแต่อัลลอฮ์ได้ฟื้นคืนชีพเขาและถามเขาว่ามาฮามะละกละอเลมาฟะลตะทำไมเจ้าทําแบบนี้นี่ความเป็นธรรมนะถึงแม้ว่าอัลลอะเห็นดูหัวใจของเขาเนี่ยเขาเหมือนเขาสงสัยในกุดรัตสงสัยในเดชานุภาพของอัลลอฮ์ที่จะฟื้นคืนชีพจากทุกละอองทุลี ของศพเขาทาไมทําแบบนี watering, ้ความเป็นธรรมอ่ะเขาตอบคําเดียวมาขอประตุกายารบข้าพเจ้ากลัวพระองค์มีเรื่องเดียวข้าพเจ้ากลัวพระองค์เนหาดีเส้นในเอว่าฟะอัฟรัลลอฮุละอัลลอฮฺจึงให้อภัยโทษให้อภัยโตษหนความชื่วทั้งหลายที่เขาไม่กล้ามาเสนอหน้าต่ออัลลอฮ์นะส สงสัยในเดชานุภาพขององค์สงสัยในความสามารถขององค์ที่จะฟื้นคืนชีพจากละอองทุลีศพของเขาหีิทั้งหลายนี่วันเกีย ม, มาหน่ซึ่งสงสัยนี้เนี่ยมันกระทบอากีดานะกระทบความเชื่อนะอี่มารมีบรรดาเมียหน่ได้อธิบายเรื่องนี้เนี่ยกว่าบางทีเนี่ยคนที่ไม่ได้ปฏิเสธแต่มีข้อสงสัยเล็กน้อยในเรื่องอากีดานี่บางอย่างนั่ะ ซึ่งจะส่งผลในเขาได้มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับข้อสงสัยเนี่ยเลาอาจให้อภัยได้ซึ่งคนคนนี้เนี่ยก็คือไม่อยากจะพบอัลลอฮ์มันจะเข้าขายพวกนี้บ่ะการิฮะลากคอร์เนาไม่อยากรังเกียจใช่แต่มันต่างกันน่ะต่างกันตรงที่ว่าไอ้คนนี้รังเกียจ การเกียรติอัลลอฮ์เนี่ยเขาไม่มีความเยื่มเกรยียงไม่มีความหวาดกลัวต อ, อนหรอกแต่ ค, คนคนนี้เ น, นี่ยไม่ใช่คนนี้เนี่ยเขายังมีมาถามว่าดูสิวอัลลอฮ์ฉันกลัวพระองค์ฉันไม่กล้าเห็นไหมคนที่ไม่ได้เชื่อในวันปรโลกไม่ได้เชื่อในการพบกับอัลลอฮ์นี่ปรากฏว่าไม่มีค่าเลยไม่มีราคาเลยไม่มีความสําคัญเลย เป็ส่วนหนึ่งที่จะทํำให้ผู้ศรัทธาเนี่ยอย่าให้ราคานะักกับคนที่หลงกับดุนยาแล้วก็เห็นเขอน้อนี่โอ้โหนี่อลังการขนาดไหนในโลกดุนยามีอํานาจบารมีล้นฟ้ามีความสวยงามมีความร่มํารวย ม, มีความกว้างขวางแล้วเขาไม่ใช่ชาวอะครอไนหมถึงวันเกียรม่านนี่เขาปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงนะทำให้คนที่เชื่อในวันปุโลกนี่ทาไมคนที่เชื่อในอะครอนี่โชค โชคโชคร้ายเหลือเกินแย่เหลือเกินมีแต่คนที่หลงตามดุนยานี่นะโอ้รวยเอารวยเอารวยเอาแต่ไอคนที่ปรารถนาอาัครานี่ทนเอาทนาคนที่ปรารถนาในดุนยานี่อำนาจยิงย่งใหญ่เอายิ่งใหญ่เอาไอคนที่ไม่ไม่หลงกับดุนยาไม่หลงกับอำนาจในดุนยานี่ก็ยิ่งตกต่ำยิ่งถูกกรทํายิ่งถูกรังแกยิ่งถูกข่มเหงเหลือเกิน มันเป็นสิ่งที่เราได้เห็นตลอดตอนเราได้ปลอบใจว่ามันมันไม่ใช่สิ่งที่พวกเราจะต้องไปเสียใจกับมันเพราะคนเหล่านี้เนี่ยในวันเกียรมว่าเนี่ยอัลลอฮฺได้เตรียมไว้แล้วการลงโทษของเขาเนี่มะวะฮุมุนนาร์ที่พักของพวกเขาคือนรกบิมาการูยักษิบุญก็ยิง่งสิ่งที่สิ่งที่เขาได้ขวนขวายแล้วก็ทำให้เราเนี่ย พิสวงแล้วก็ต้องการและปรารถนานี่ไอ้นี่นะีคือใส้ที่ทำให้เขานี่ล้มเหลวในวันเกียมาเราได้อะไรจากโลกดุญญนี้สับสินอะไรในโลกดุนญญานี่มีความชอบนี่อัลลอฮ์ก็ไม่ลงโทษเรานะเรามีบ้านใหญ่โตเรามีรถหลายคันเรามีบัญชีเงินมหาศาล ถ้ามีความชอบในสิ่งเหล่านี้เนี่ยอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่อัลละฮ์ลละไม่ลงโทษเถ้าเราทําหน้าที่ต่อสิ่งที่พระองค์ให้ให้กับเรามาแต่ในกรณีที่อัลลอฮ์เลือกที่จะไม่ให้อัลละฮ์ทรงตัดสินว่าเรานี่อยู่ในโลกนี้ไม่ต้องไม่ต้องรวยไม่ต้องรวยมากหรืออยู่แบบสภาพจนจนไปสภาพแบบสภาพแบบหาเช้ากินคำ่ำอะ ถ้า a l l ส่งเลือกสภาพนี้กับเราเนี่ยเราก็ต้องเชื่อว่าสิ่งที่ Allah เลือกให้เราเนี่ยย่อมดีกว่าสิ่งที่ Allah เลือกให้คนอื่นได้มีความกว้างขวางในโลกดุนยานี้และสภาพเขาตรงข้ามกับสภาพของเราทําไมมันมี hadith บทหนึ่งถึงแม้ว่ามีอุลลามะบางท่านบอกว่าเป็นห a d ี t h โวแต่เนื้อหานี่มันถูกต้อง ถูกต้องทำ้มาเพราะมันปรากฏให้เห ah ็นอันนี้บอกว่าดุนยานี่อัลลอฮ์จะให้ทั้งผู้ศรัทธาและผู้ปฏิเสธศรัทธาลให้หมดเลยจริงไหมล่ะดุนยทั้งมุมินแล้วก็ไม่ใช่มุมินได้หมดเลยหมายถึงว่าดุนยานี่ไม่ได้เป็นรางวัลวิเศษสําหรับใครไม่มันเป็นเรื่องที่ใครก็ได้ คนดีก็ได้ดูเนี่ยคนเลวก็ได้ดูเนี่ยจึงเป็นความเข้าใจผิดสําหรับคนบางคนอ๋อัลลอฮ์รักฉันนะอัลลอฮ์ฉันมีสุขภาพแข็งแรงมีรายได้ดีฉันมีครอบครัวที่ดีฉันมีโออัลลอฮ์รักฉันเขเข้าใจผิดแล้วนะไม่ใช่นะการที่อัลลอฮ์ให้เราหรือให้คนอื่นเนี่ยมันไม่ได้เป็นเครื่องหมายนี้ว่าเราเนี่ยเป็นที่รักของอัลลอฮ์แล้วไม่ใช่ ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ต้องดูตรงนี้เลยกว้างขวางเหลือเกินดูตรงที่ว่าชีวิตของเรารวมถึงทรัพย์สินที่อไลมาหนีประพฤติตามคำสั่งสอนหรือไม่หัวทีต่อไปเนี่ยเขบอกว่าสำหรับอาคีร้อแล้วนี่นะอัลลอ์จะให้เฉพาะคนที่พระองค์รักเท่านั้นดุนยานีนะคนที่พระองค์รักและไม่รักเนี่อไมห้หมด แต่สำหรับอะครอเนี่ยเฉพาะคนที่พระองค์รักเท่านั้นเฉพาะคนทีเดียวพอพระทัยเท่านั้นที่ Allah จะเรียกมานี่มานี่มานี่คนนี้คนนี้มามายืนละหมาดฟ้รดูให้ฉันถ้า Allah อนุมัติให้คนหนึ่งคนใดได้ละหมาดฟ้ารดูได้ละหมาดสุนนะได้ลุกขึ้นละหมาดกลางคืนได้มีโอกาสเปิดอ่านกุออ่านนี้นี่ไม่ใช่ว่าเจ้ากิ่งนะ ไม่ใช่ว่าตัวเองนี่เใช้เหลียวฉลาดนไม่ใช่เพราะพระองค์นี่นวตัวเองเนี่ยพระองค์พอพระทัยทางอนุญาตอนุญาตได้ตัวเองเนี่ยได้ทำหน้าที่สวามีภักดตัวพระองค์และการที่อมรเลือกให้เราได้ทําหน้าที่ตอนเราสุภานุวตาแหละอย่างหนึ่งอย่างใดนะหน้าที่หนึ่งหน้าที่ใดในสิ่งที่เป็นคําสั่งสอนนะนั่นแสดงว่าเป็นสัญญาณสัญญาณนั้น ว่าเรามาถูกทางแล้วมาละหมาดไม่มีใครตีไม่มีใครบังคับมาละหมาดมาละหมาดนี่ไม่ไดีเออไม่ดีไม่ไ ด, ไมไดีคิดว่าถ้ากุลละหมาดนี่ถูกหวยแน่เลยอะ่ะ น, นี่ขนาดนะขนาดมาจากมาจากโดนเมืองนีมาหนี้นี่นี่ถูกหวหยแน่นลอยเดี๋ยวี้เนี่ยพวงนี้สิบห้าป่ะฮะพวงนี้หรือวันนี้ผ่านไปแล้วว่าไม่รู้ไม่รู้ ไม่ไม่ยไม่ไม่ได้ซื้อเฮ้แล้วมาเขาบอกว่าของบาปนี่อย่าไปละนมาดิซิขอรอนนะซื้อมาดรอนอ่าไปทำบาปอย่างเงี้ยอ่าไอ้เช่นมีคนอฮ้ยตัวเองหน้าตาดีนะเบิตไปเล่นแสดงหนังแล้วนีนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขี๋ยวขอซิารอสักคืนหนึ่งเมื่อไปแสดงหนังนี่ก็แน่นอนรู้อะไรจะเกิดขึ้น เฮ้ยเจ้าาเจ้าเองหนูจ้หุ่นดีนะเดาไปทํางานเป็นนายแบบดีไหมเดาโชว์ชตัวหน่อยอะไรอเงี้ยเดาขอสขอสหะรอ ก, กของบาปนี้เขาไม่สิสหรอกของบาปนี้ถ้ารู้ว่าบาปนี้ปฏิเสธไปเลยใช่ไหมการที่เราได้ทำบาปอย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ยรู้ได้เลยว่านี่อัลลอฮ์กำลังไม่พอพระทัยต่อเราอัลลอฮ์กำลังอัลลอฮ์กำลังส่งสัญญาณว่า คือเท่ากับบาปที่เราได้ทำเนี่ยเท่ากับเราห่างไกลจากอัลระยะหนึน่งคําสั่งสอนที่เราทําเนี่ยยิ่งทํามากขึ้นยิ่งทรงสัญญายว่าเรากําลังใกล้ชิดกับอัลลอฮ์เท่านั้นอันนี้คือตัวชีวิตไม่ใช่สตังไม่ใช่ดูบัญชีนะโอ้ยนี่เราเป็นโอ้นี่ระดับซอฮบะแล้วเนี่ยเพราะอะไรเพราะตังเยอะเหรอใช่หมตั้งแต่ บ, บัดนี้เป็นต้นใบ ย่าให้ตำแหน่งย้าให้อาชีพอย่าให้เงินทองอย้าใหทรัพย์สินเนี่ยเป็นตัวชีวัดให้เราได้สบายใจโอ้ศา ส, สนาฉันนี่เข้มแข็งเพราะศาสนาฉันนี่เข้มแข็งอลเราเลยให้ปั๊บเอลยตรงกันข้ามเลยนะในบุคคลเนีบบ่ยศาสนายิ่งเข้มแข็งเนี่ยเรายิ่งลงบททดสอบยิ่งมีบททดสอบแสดงว่า แต่บททดสอบนี้ไม่ใช่บททดสอบในตัวศาสนานะบททดสอบอย่างเช่นนะไม่ตื่นละหมาสุโบอย่างเงี้ยโอ้ผมโดนทดสอบดีพอีิมานฉันเข้มแข็งไม่ใช่ที่ไม่ละหมานี่ก็แสดงว่าอิมานตัวเองนี่มันทุดลงไม่ต้องไปคิดว่าตัวตัวเองดีนะเป็นไปได้ไงอเอาผมถูกทดสอบไม่ถูกทดสอบในเรื่องทรัพย์สินในเรื่องสุขภาพอ่ะสุขภาพมีปัญหา นี่ถูกทดสอบเนี่แสดงว่าเราต้องตองต้องดูต้องพิตงตงต้องดูว่าเรามี ม, มีจุดบอดจุดบร่องตรงไห น, นเพราะฉะนั้นคนที่อาจจะเป็นคนใหญ่โตในสายตาของผู้ศรัทธาที่จะทำให้เขาเนี่ยท้อใจว่าโอ้ทำไมคนคนรวยคนทรงอำนาจแบบนี้เนี่ย ทัง น, น, นี้ก็ปฏิเสธพระเจ้านี่ครับเขาก็รวยเอารวยเอาใหญ่โตมีอํานาจยิง่งมีอานาจยิ่งมากขึ้นทําไมเป็นแบบนี้เนี่ยอันนี้อัลลอฮ์บอกเขาเลยอัลลอฮ์บอกกับเราว่า <Yeah. S 1> อย่าเอาเป็นยาเอเป็นตัวชีวัดแบบนี้เนมันไม่ใช่พวกนี้ที่ไม่พบอัลลอฮ์ไม่หวังว่าจะพบอัลลอฮ์ในวันปโรโลกนะนะวันปโรโลกมีมีการลงโทษอันเจ็บแสบที่กําลังรอพวกเขาแล้วรู้สัทธาละ่ะ สَหُับผู้ศรัท إ า ال ن ี่นะอินนัَ้ที่นั่นอَมมันและอัมมุล ا าลิَัดไม่ได้พَูแล้วนะผู้ัทธาที่ต้องการพบหรือหวังจะพบอัลลอฮ์เนี่ยพอผู้ศรัทธานี่ถ้าผู้ศรัทธาแล้วนะต้องหวังต้องมีความปรารถนาที่จะพบอัลลอฮ์อย่างแน่นอนย่าดีห์มรับบุห์มไْอิมานห ه ِเจริย์มินถทานนงบรรดาผู้ศรัทธาลูประกอบความดี สองอย่างนี้มันสรุปสภาพของผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์ที่สุดศรัทธาและประกอบคุณงามความดีศรัทธาไม่ใช่เรื่องยุ่งยากศรัทธาศรัทธาในอิสลามอิสลามอิสลามมีห้ารูปน์ทุกคนเนี่ยต้องรู้ทุกคนในมุสลิมทุกคนต้องรู้อิมาเน่ยมีกี่รูปนมีหกุกุนมุสลิมทุกคนต้องรู้ รูปุณ إيمان นี่ไม่ใช่วิชาหลักศรานะวิชาตับซีนนะแต่ใครที่ไม่รู้รูปคุณอิสลามไม่รู้คุณ إيمان โอกรูปุณนี่ก็ต้องเรียนรู้นะมุสลิมทุกคนต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้ต้องรู้นี่แหละคือศรัทธาเอาแล้วก็ฉันตายแล้วนี่ฉันยังไม่รู้จักอคิดาสลัฟอกิดาของอัลสุนน่าวลจามะ ฉันไม่ยังรู้จักรายละเอียดของมนาจิสลวีหรือมนาจีควานหรือมนาจของใครก็ตามฉันยังไม่รู้ยังไม่เคยอ่านยังไม่เคยอะไรกูรอดไหมเนี่ยเขาบอกว่าไม่รอดเขาบอกว่าไม่รอดแต่กูอ่านบอกว่ารอดมีไหมในกูอ่านเคยได้ยินไหมาอากิไดซาลับเคยได้ยินไหม มันฮ ah ัสซาลัเคยได้ยินไหมอากิดอด้ห e รืซุนเคยไดยินไม่มีเอ้าแสดงว่าเราจะแปลคุรานด้วยสิ่งอื่นนี่ไม่ใช่กุรานหรือต้องแปลสิ่งอื่นนี่ไม่ใช่กุรานด้วยกุรานมานฮัซาลาฟีหรือมานฮัตอิควานหรือหรืออาิดไดซาลออาิดไดซุนน้าวเจมาทั้งหมดนี้ก็คือศรัทธานี่แหละถ้ามันต้องการนี่นั่นนะ แสดว่าคนที่รู้รคุณอิสลามทั้งหรู้รคุณ إ ม م ا ن ทั ن ن ن ้งหกนี م م س س ی ی ่แหะน่านักถือเขาถือว่าเป็นมุหมินตามอคิดาของอัลลอฮุนนะัลกมาฮตมิดองลพราถามเขาว่าแล้วเราจะรู้อกดสลรู้ยงไงนี่ต้องอ่านตำรานี้หนังสือเล่มนี้ต้องเรียนกับอาจารย์คนนี้ถึงจะรู้อกดสละาไม่รู้อดสลไม่รู้มันลวิน่มรอน และไอ้พวกสลับเองอ่ะเขาเคยอ่านตำราเรื و و و و و و و ่อนี้ไหมตัวสลับที่เราอ้างเองเขาเคยอ่านตำราเรื่อนี้ไหมเขาเคยเรียนกบอาจารคนนี้ไหมแล้วเขารอดไหมตัวสลับเองอ่ะนะเขาต้องรอดสิมันไม่ง่ายตัวซาอูบะของท่านนบีเนี่รอดไหมแคนี้แหละอัลล์พูดถึงพวกนี้แหละในคุรานแล้วอุลามาได้บอก อุลามาทั้งหมดโดยเฉพอิบนาอิมียที่พูดถึงเรื่องอัดัลุสุนนะลมาถึงอัคดัลสลับนี่ทั้งหมดเนี่ยรายละเอียดทั้งหมดนี่นะบางทีมีรายเล็กๆน้อยๆเนี่ยไม่ใช่อันนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยที่จะเป็นตัวชี้วัดว่าเราจะรอดหรือไม่รอดในเรื่องศรัทธาไแล้วศรัทธาสาคัญเนี่ยที่อยู่ในคุรานอยู่ในฮะดิษของลสลลอฮละัลลัมสิ่งที่ไม่มีรายละเอียดเราก็ศรัทธาแบบกว้างๆกว้างๆศรัทธาแบบกว้างๆนี่หมายถึงว่า อัลลอฮ์บอกว่าในสวรรค์นี่อัอบอกว่ามีสวรรค์เราก็เชื่อว่ามีสวรรค์อัลลอฮ์บอกว่าสวรรค์นี่มีแม่น้ําอไม่มีแม่น้ําเราก็เชื่อมีแม่น้ำรายละเอียดมีเท่าไหร่ในเกี่ยวกับสวรรค์เราก็เชื่อแต่อะไรที่มันไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับสวนสวรรค์สวนสวรรค์นี่สวนสวรรค์นี่มันมีแอรไหมไม่ต้องไปเชื่อก็ได้ไม่ไม่เชื่อว่าสวรรค์นี่มีแอรไม่ไม่ตกศาสนา ทำไมเพราะรายละเอียดมันไม่มีในคุรานมันไม่มีรายละเอียดอะไรที่มีรายละเอียดนบีบอกว่าบรรดานาบีและรัสูลทั้งหลายเนี่ยหนึ่งแสนกว่าท่านที่ถูกระบุในคุรานเนี่ยเพียงประมาณยี่สิบห้าท่านแสดงว่าที่เหลือทั้งหมดเนี่ยเก้าเกมืนกว่าท่านมีนะอันนั้นไม่มีรายละเอียดชื่อไม่รู้ถ้าเราไม่ไเชื่อ้เราเชื่อโอเชื่อบรรดานาบีและรัสูลที่อัลลอฮ์ส่งมาทั้งหมดนี่เราเชื่อ ที่มีระบุรายละเอียดและก็น้ำของพวกคันนี่นะศรัทธานะพอพอแล้วสิ่งที่ศรัทธาแบบกว้างก็ศรัทธาไปแบบสิ่งที่ระบุแบบกว้างก็ให้ศรัทธาแบบกว้างสิ่งที่ระบุรายละเอียดกลายศรัทธาแบบละเอียดซึ่งแบบละเอียดเนี่ยมีไม่เยอะในเรื่องอากิดได้ไม่มีเยอะและนี่คืออากีดอะเราก่อนเสียชีวิตเนี่ยศรัทธาในทุกเรื่องที่ อัลกุรอานละะดีได้บอกไว้ทั้งนั้นีเราก็ไม่ได้ฮาฟิตไม่ได้ต้องจำกุรอานทั้งเล่มแต่เรามีความเชื่อนี้แม่เี้ยเรานี่เป็นมุสลิมศรัทธาในในกุรอานและฮะดีและทุกสิ่งที่อยู่ในกุรอานฉันนะศรัทธาพอไม่รอดไหมรอดแล้วอัลสุนอัลาฮ์นีงไม่เรียนยไมรทำอะดาขออัลสุนอัลามาก็ต้องเอามาจากอัลกุรอานและะดีสแล นี่ในทุกมดจำนะในทุกทัศนะนะในทุกแนวคิดนะที่ก็าทะเลาะกันเนี่ยชาวร้องกับว่าฮะบียอะไรเงี้ยไปถามเขาบอกว่าถ้ามุสลิมคนหนึ่งเสียชีวิตเนี่ยเชื่อในกุอาห์ละฮะดีสแต่ไม่เชื่อในชารองไม่ได้เชื่อในว่าฮะบีไม่ได้เชื่ออะไรพวกเนี้ยรอดไหมรอดรอดนี่เพราะทั้งสองฝ่ายนี่รู้นะครับว่ามาอะกล้าที่จะมาถามที่มาสอบสวนนี่นะในคําถามนี่ไม่มีนะครับแล้วก็พวกว่าฮะบียนี่เชื่อไงบอกไหม อาชารรนี่เองเชื่อยังไงบอกมาบอกมาบอกมาก่อนอย่าหนีนะอย่าแถมนะอย่าแถมนะไม <c oughs> ่มีอะไรก็ไม่ถามหรอกสองปรื่องนี้สองประเด็นนี้ไม่ถามเลยฉะนั้นถ้าไม่ถามนี่นะมันควรไม่ที่จะเสียเสียเวลาเสียคนเสียเพื่อนคุณแมถ้าไม่ได้ถูกถามมาในกูโบก็ไม่ได้ถูกถามแล้วไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกระบุในกุรายละเอียดว่าท่า <c oughs> ถ้างนี้ตัวเองไม่เคลียนะเป็นว่าฮาบิราชารานีน่ะเองเสี่ยงนะจะเข้าสวรรค์ในนรกนี่ยังไม่แน่นะเองเสี่ยงนะต้องระวังนะไม่มีไม่มีอะไรบอกแบบนี้หละใช้เวลาในสิ่งที่มีประโยชน์ดีกว่าที่ชัวรที่สุดอ่านกุรอานอ่านฮะดิแล่ะก็ศึกษาสิ่งที่อยู่ในกุรและฮะดิสไม่มีวันในชีวิตเนี่ยที่จะรู้สึกเสียดายผมผ่านมาแล้วพวกเนี้ย เรื่องตเองูเถียงเรื่องอะไรเนี่ยเพราะสุดท้ายนี่มันไม่ได้ข้อสรุปมันสรุปไม่ได้อาจารย์คนหนึ่งมาบอกผมนี่บอกว่าอีไปถามทุกคนเนี่ยที่เถียงกันเถียงกันถงนนึงขนาดที่ใส่แลยนะเรางินรกนี่ีนสวรรค์นี่เนี่เอางอ่สาบานต่อพระพุทธเจ้าดิว่าตัวเองเนี่ยจะทำอยู่กับฝั่งของตัวเองอย่สาบานดิ มีใครกาสาบานที่กําลังเถียงกันอยู่เนี่ยพวกมัสอัลลาะห์ปกๆย่อยๆเนี่ยสาบานกันนี่ว่านี่ฉันจะทำล้านเปอร์เซอยู่ที่ฉันสาบานดิกล้าพูดไหมฉันสาบานว่านี่จะทําอยู่กับฉันและฉันเนี่ยคนที่เชื่อแบบนี้เนี่ยรอดแน่ในวันเกียรติมาแล้วคนที่ไม่เชื่อแบบนี้เนี่ยไม่รอดแน่สาบานดิสาบานด้วยพนังอัลลอฮ์สาบานนี่ว่าความเชื่อแบบนี้นี่คือความเชื่อที่มาจากอัลลอฮ์มาจากท่านมัีสาบานดิ ถ้าไม่กล้าสาบานก็แสดงว่าไอ้ที่ตัวเองกําลังเสียคนเสียเพื่อนเสียเสียเวลากับมันนี่นะมันมันก็คือฟิฟตีฟิตีไงอ่ามันก็คือเรื่องที่มมันไม่ใช่ร้อยเอร์เซ็นต์ไอ้ที่ไม่ใช่ร้อยปอร์เซ็นี่นะก็เขาเรียกว่าให้เผื่อไว้นิดนึงเผื่อไว้นิดอิหมั่มชาฟีในเรื่องในเรื่องศาสนาที่อิหมั่มชาฟีวินิฉัย แล้วก็อ้างตัวบทหลักฐานจากคุณอัลฮานิสในอิหมามชาฟีเขาจะมีหลักเกณฑ์สําคัญในสอนกับลูกศิษย์นะว่ากาวุลีสวะอุบุญยาตัมิลข้อตอกทัศนคของข้าพเจ้านี่ถูกต้องผมเชื่อถูกต้องแต่อาจจะผิดก็ได้ว่ากาลูลกอีรีทัศนะของคนอื่นเนี่ยเขาต้อุ่นผมก็ต้องเชื่อว่าทัศนะคนอื่นที่ตรงข้ามกับทัศนะของข้าพเจ้านี่ผิดแน่นอนแต่อาจจะถูกก็ได้ คือไว้นิดหนึ่งต่อเมื่อมันไม่ใช่ตัวบทที่มีจำนวนชัดชัดชี้ขาดชัดชดมันคือตัวบทที่ดีความกันไปดีความกันมาถ้า ม, มีทิศไม่มีทิศในเรื่องทิศไม่มีทิศ ไ, ไม่ต้องคุยก็ไไม่ต้องคุยเลยไม่ต้องคุยเลยอัลลอฮฺบอหนาอัจสตัวาอาลาลอฮฺตามคุราน ถึงซาลาหกูบอกว่าอ r ลลอฮ์อัลลชฮ์อัลลอฮ์อัลล i ฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัาลอา์อัลลอฮ์อัลลอฮ์ลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อลลอฮ์อัลลอฮ์อัล a อฮ์อัลลอฮอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอัลลอฮ์อชลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลั ที่ชว่วชวานี่ก็คืออัลลอฮ์มาโนอัลลอฮ์ชิสตะวะมาผู้ศัทธาและประกอบคุณงามความดีรอดนะยะดีฮ ah ิมร um ับหุ่มบีอิมานิฮิมผลผลลับตอบแทนที่อัลลอฮ์จะตอบแทนการสัทธาและกประกอบคุณงามความดีนี่คืออะไรพระเจ้าของพวกเขาจะส่งชี้แนะทางที่ถูกต้องให้แก่พวกเขา อ่านี่ต้องนนี้ต้องอะไรไปก็ก็เขาศรัทธาแล้วเราจะชี้แน่ไงชี้แนกในสิ่งที่มันเหนือกว่านั้นน่ะสิ่งที่มันอาจจะคุ้มคือสิ่งที่อาจจะไม่ชัดเจนเราเราจะชี้แน่แต่เงื่อนไขต้องอะไรต้องศรัทธาและการประกอบคุณงามความดีเพราะมันช่วยได้เหรอใช่ยึดมั่นในศรัทธาที่ถูกต้องที่ชัดเจน ของกูอ่านละฮะดีสนะแล้วก็ส่วนอื่นนี่โดนเราจะชี้แนะให้เราได้เห็นความจริงความถูกต้องประกอบคุณงานความดีให้เยอะละมาดให้เยอะซิกุลลอห์เยอะอ่านกุูอ่า น, นให้เยอะศึกษากูอ่านให้เยอะฮะดีสให้เยอะแล้วเราจะชี้แนะความถูกต้องให้แกพวกเขาบีอีมานิฮิมที่จะชี้แนะนี่เพราอะไร เนื่องด้วยการศรัทธาของพวกเขาศรัทธานี่มันจะนํามาซึ่งความถูกต้องอื่นๆด้วยอุลามาบางท่านก็อธิบายหนึ่งด้านภาษาเนี่ยเขาบอกว่าอย่ด ah uh um, ีใหมรับบุหุมบีอีมานีมอัลลอฮฺจะชี้นะหรืเราจะให้ทางนําแก่พวกเขาบีอีมานมบีบีตัวบานี่ตัวบานี้อุลามาบางท่านด้าน ด้าภาษาได้ไวกว่าหนูกบาตัวบ้าเนี่ยเขาเรียกว่าบาอัศบะบียอัศบะบียเพราะสาเหตุอัลลอฮ์จะให้ฮิดายะกับเขาด้วยสาเหตุมาเนื่องด้วย إ ي م านของเขาเนี่ยเขาก็เลยแปลที่แปลนี้ก็หมายถึงเขาเบอกว่าบาเนี่ยอับะเบียเนื่องด้วยเนื่องด้วย إ ي م ا ن إ ي م านเป็นสาเหตุที่ทำให้อัลลอ์มอบทางนาให้เขา ن س و ر ة ا ل ع م ر ا ن ر ب ن ا إ ن ك م ن ت د خ ي ل ا ل ن ا ر ف ق د أ خ ز ي ت َ م ا ل ا ل ظ ا ل م ي ن م ن أ ن ص ر ر ب ن ا إ ن ن ا س م ع ن ا م ن ا د ي ا ي ن ا د ي ل ل إ ي م ا ن أ ن آ م ن و ا ب ر ب ك م ف آ م ن ا و ا ل ل ه ر َ ي ن س ي ا ن ر ي ق ر ا ن و ه ي س ت ه ا ه ي س ت ه ا ت و ه أ ب ي ب ا ن ف آ م ن ا و รับบานะฟ้าผิดเลน่าดุนูบ ن าและคัฟเฟอร์เงินน่าเสียอัตินาด้วยดังนั้นอัลลอฮ์ด้วยการที่เราสัตย์ตรงได้โปรดให้อภัยโทษกับพวกเราด้วยยกโทษให้พวกเราด้วยได้ลบล้างนละบาดของพวกเราด้วยลลบบวเถิด อ, อีมานมีพลังมหาศาลสำหรับผู้ศรัทธาด้วยอีมานของเรานี่ดูอานะอ่อนลอดด้วยอิมานของเรา โดยที่พระองค์ท่านทําให้เราเป็นผู้ศรัทธาต่อพระองค์ท่านได้โปรชี้แนะหน่อยเรื่องนี้เรื่องที่ข้าพเจ้ากาลังสับสนอยู่เรื่องนี้แล้ในชีวิตของเราเราก็มีเรื่องสับสนเรื่องกุ้มเกลือเรื่องที่เราต้องการข้อชี้แนะจากพระโลสุภาโนนาล่บ่อยครั้งอีมานของเราเนี่ยที่เป็นเหตุผลที่จะทําให้เราสุภาโนนาล่ะเพิ่มเพิ่มพูนทางนําให้กับพวกเรา ت ج ر ي من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. بايتاء بقاؤه مي ما نام لا يسعى لا يبان لا يبان. ไม่บาตัวนี้นี่ยศาสนาของ อ, อ, อิบนาจุร่ายจีเนีเขาได้บอกว่าบาตัวนี้นี่หมายถึงว่าด้วยตัวอีหมานด้วยตัวอีหมานเขาจะได้รับทางนำหมายถึงว่าตัวอีหมานเนี่ย จะเป็นสิ่งที่มีรูปธรรมทั้งในโลกนี้แล้วก็ในโลกหน้าเป็นตัวที่เป็นสิ่งที่มีรูปธรรมแล้วก็จะจูงหัวใจของเราเนี่ยในโลกดุนียาน้จูงเราเนี่ยไปสู่ไม่ใช่ด้วยเหตุแต่ด้วยสา บ, บเนี่ยมันเหมือนอีมาเนี่ยถ้าสบับเนี่ยด้วยนะสเหุนี่มันต้องมา ก, ก่อน แต่ด้วยตัวอิหมานี่ก็หมายถึงว่าอิหมานี่จะเป็นทางนำทั้งในโลกนี้และก็โลกหน้าในโลกหน้านี่มีตัวอย่างมีตัวบทในบันทึกของอิมมอหม่ามอัลกมัดอะดิซยาวมากนะครับท่านนาบีสลัละวะละยลมได้เล่าเรื่องการเสียชีวิตและการที่ลงไปอยู่ในกุบโบเล่าตั้งแต่ตายเนี่ย إن العبد المؤمن إذا كان في قطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة و م يضع و س ت ه ا عند الله، ماء اتقطع ل َ ا ل ْ ن َ ة ِ و َ ا ل َ ن َُ ف الْجَنَّةِ م َْ ي َ ت َ ع َ ا ر ُ ا ل َ ن ز ّ ا ل ْ ج َ ن َ ي ا ل ْ ج َ ن م ن ْ ي َ ا ر ُ ا ل ْ ج ََ و َ ا ل ْ ن ِ ا ل ْ ج َ ة م َْ ي ت ُ ب ِ ا ل َْ ن َ و َ ا ْ ج َ ن ي ا ل ْ ن َِ ن ْ ي َ ت َ ع َ ا َ ف َِ و َ ل َ ي เสด็จลงมาเพื่อจะได้รับวิญญาณของเขาอันนี้ท่อนแรกของฮะดีสนะและหลังจากนั้นก็นบีนบีก้บอกว่าพ่อก็เอาวิญญาณหนุ่มก็ไปเสนอต่อองล้อองค์ก็จะอนุญาตให้ให้วิญญาณเนี่ยได้ลงไปอยู่กับศพจะได้รอถึงวันเกียร์มาพอมาไรก้าเนี่ลงไปอยู่เสด็จลงมาจากฝากฟ้าแล้วก็มาอยู่ในศพเข้าไปอยู่ในศพอีกทีหนึ่ง มาลายกาของกูโบนี่มุนการนกีินี่ยก็จะมามาสอบสวนมาถามก็หลายหลายท่อนผ่านไปแล้วเนี่ยแล้วก็น บ, บีก็บอกว่าไฟะที่ฮิมาเลคันมาลายกาสองท่านเนี่ยก็คือมุนการกนกิที่จะให้เขานั่งแล้วยัไงอะนั่งยังไองไอะเราฝังฝังเราฝังนี่คุโบยังไงอะนอน มีที่ให้นั่งด้วยเหรอนั่งที่ไหนอ่ะนั่งนี่นั่งนี่ไม่ใชตัวร่างของเรานั่งวิญญาณนั่นเรนจะนั่งยังไงนี่อันนี้เราไม่รู้หรอกมันนคนละโลกกันนะคนละคนละกฎเกณฑ์นะให้นั่งใคกูลานิเลหูแล้วก็ทำมารมรร บ, บุกะก็จะถามรรบุกะมันนบยุคกามดีนุกันเนี่ยพระเจ้าของเจ้าคือใครนบย ศาสนาของเจ้านี่เกินอันนี้ก็ท่อนหนึ่งมาถึงท่อนสุดท้ายเนี่ยโอ้ยที่โรจุรุนพวงมาเลย์ก็นีถามตอบเสร็จแล้วอะนะคนดีเนี่ยก็จะตอบดีนะและหลังจากนั้นน่ะยที่โรจุรุนฮาเซนก็มีบุรุษคนหนึ่งหน้าตาดีมากเลยฮาซานุสเซียบีต่งตัวยังยังสวยงามมากเลยอ่ะตียบรียัดลิ้นก็ะหอหมไฟยากูลุชายคนนี้เนี่ยก็จะพูดกับ วิญญาณของมายด์คนเนี้ยอับชีร์บิลลาดียุลพึงทราบข่าวดีเถิดฮาเดยามุกัลลีกุนตะตัวาดนี่คือวันของท่านเนี่ยที่ท่านเคยถูกสัญญาไว้แล้วพระครูล่ะหูไอมายด์คนเนี้ยไอวิญญาณของเขาอ่ะจะถาเจ้าใครเจ้านี่เป็นใครหน้าตาดีแบบเนี้เจะเป็นใครอ่ะอนุนมาอะไรก็องกูรู้ละเพราะถามคําถามนี้กูรู้ละเป็นใคร นี่มันเจ้าดีนเป็นขะมน์อันต้าููดีอวดีดีดีดีดีนีดาดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีนีดีดีดีดีดีดีดีดีาีดีดีดีนีดีดอดีดกดีดีดีดีาีดอดีดที่ีดีดนดีดมาีดีดีดีดีดีดีดีดีอีดีดีดี่ีดีดีดีดีดีดีดี ถาเสร็จแล้วอ่ะนะมีมีหน้าที่อามัลนี่อัลลอฮ์จะให้เขาเนี่ยเป็นตัวเลยนะมีรูปร่างเลยนะหน้าตาแค่ไม่ต้องพูดนะแค่หน้าตาดีเนี่ยก็บอกว่าอุหน้าตาแค่นี้เนี่ยก็รู้มีตระหนงดีแน่นอนทำความดีเนี่ยคือเรารู้ฮะดีจีเนี่ยทำความดีเนี่ยไม่มีอะไรสูญเสียไม่มีอะไรหายนะแต่เราต้องมีปริมาณความดีเพียงพอ เพราะนาบีก็ได้เล่าอีกคนนึ่งงานะนะที่ไม่ใช่คนดีนะคนชั่วนะก็จะมีคนหน้าตาไม่ดีและหนาตาน่าเกลียดมากน่ากลัวมากเอามานะใครอะ น, นี่การงานของมึงนี่แหละเราต้องมีปริมาณไม่ใช่ความชั่วนเก้าสิบเปอร์เซ็นตแล้วก็ความดีสิบเปอร์เซ็นเนี่ยอันไหนที่จะปั้นตัวมาเป็นตัวเนี่ยก็ต้องความชั่วเนี่ยแต่ถ้าปริมาณความดีของเรานี่เพียงพอ กี่เปอร์เซนต์นะต้องถามใช่ไหมเชฟต้องบอกดีฉันจะได้ทำบัญชีให้ถูก <c oughs> ละเอียดแล้ว <c> ไ <oughs> ทำไปเถอะที่อัลลอฮ์เรื่องความดีนี่อัลลอฮ์ไม่นับนะอัลลอฮ์ทวีคูณน่ะแต่ความดีกับอัลลอฮ์นี่อ๋อวันนี้วันนี้ทำความ เอ้ยทำความดีไปแล้วเยอ ะ, น, ะนิประมาณประมาณหกสซ็ดีและอย่งนั้นอีกสี่ซนี์ดเป็นสัดส่วนของความชั่วละทาไมไอ้พวกหสนนี่นั้นคิดแบบนี้นี่ไม่ใช่คิดแบบนี้ไม่ใช่ไม่มีคนคิดแบบนี้มีเดรอมตอ น, นทําความดีสุดทความดีสเละเลยนะ ทำความดีสัเล็กเลยพอพ้นเดนรมดัมโมตอนแล้วนี่เอาก็ทําแล้วนี่ทําความดีแล้วนี่ก็มีประมาณนี้สะสมความดีเพราะความดีเนี่ยต้องมาพบเราแ น, น่นอนด้วยความมั่นใจนี่แ น, น่นอนต้องมาพบกับเราในวันเกียรติและนี่แหละที่หมายรวมของอายาเนี่ยอยาดีมร บ, บุมวิคือ إ ي م านเขานี่จะนําหน้าอมุจลัยบอกว่า إ ي ม ا ن นี่เปรอะแล้วที่กบฏนี่เปราะอยู่ที่กบฏแล้ว เห็นอาไรกานีีก็แล้วก็ทาหน้าที่ไปฉันฉันได้รับหน้าที่แล้วฉันถูกปั้นขึ้นมาเนี่ยให้เป็นตัวเนี่ยอาบาลของเขาเนี่ยหน้าตาดีแบบเนี้ยจะได้แจ้งข่าวดีให้คนคนนี้แต่จะรีบินตที่เห็นดีให้คนคนนี้เข้าสวรรค์ไงคนที่ถูกแจ้งข่าวดีเนี่ย ไอ้ก่อนหน้านี้เนี่ยมองเข้าสวรรค์เจริญจากใต้ของแม่น้ำในสวนสวรรค์อันเกษมสําราหเข้าสวรรค์แล้วนะสวรรค์มีแต่ความสําราหมีแต่ความสุขทุกชนิดทุกชนิดที่เราอดอยากกันไหนไม่กินเหล้าไม่ทํานู่นไม่ทํานี้วันเกียรมาหนี่ Allah ให้เราได้เสบสุขในสิ่งที่เราได้ห้ามถูกห้ามไว้แต่หนึ่งในความสุขของชาวสวรรค์เนี่ยก็คือสรรเสริญพระเจ้าดาว่าฮ ah um ah um ุมฟี่ฮาสุบฮานะกัลลอฮุมะการขอพรของพวกเขาดาว่าฮุมขอพรขอพรอดูานะหรือลำลึก แตลลางท่านบอกว่าดวะองการขอการขอของเขาเนี่ยสุบฮานะกัมมลุมมาในส่วนสวรค์นี่ก็คือมหาบริสุทธิ์แด่พระองค์ท่านเขาจะขออะไรเนี่ยนี่คือรหัสบางแรงงานจากสลัฟเนี่ยชื่อมุกอติลมุกอติลนี่ก็เป็นเป็นชาวสลาฟที่เขาชํานาญเรื่องอธิบายเนี่ยเขาบอกว่ามีแรงงานซึ่งเขาไม่ได้บอกว่าแรงงานอะไรนะมีแรงงานบอกว่าชาวสวรรค์นี่อยากได้กินอะไร ก็จะพูดคำเนี่ยสุบฮานะกัลลอฮ์ุ ม, มก็จะมีผู้รับใช้ที่จะมาเสิบอาหารให้เขาเนี่ยหนึ่งมื่นท่านผมว่าเยอะนะเยอะนะบางทีนี่ไปร้านหรูๆแล้วก็เขาให้มีคนมาเสิบนี่มายืนมายืนรอนี่กูดำคาดำคา เราอยากจะกินเ น, นี่ยแล้วก็มีคนรออยู่คอยตักข้าวคอยตักแกงคอยอ ะ, อะไ ม, ไม่ไม่ชอบซึ่งเป็นไปได้หรอว่าความสุขของชาวสวรรค์จะต้องมีคนมารับใช้คนมาเสิร์ฟให้หนึ่งหนคนอุ๊คือแสงว่าโตรับประทานอาหารมันจะขนาดไหนอ่ะ แล้แค่คนเซอร์ไพรนี่เนาะหนึ่งหมื่นคนน่ะนะลองที่ผมการวิจารณ์เนี่ยเพราะอะไรเพราะไอ้อไอ้เนี้ยมันไม่ใช่ฮะดีสไม่ใช่ไม่ใช่ตัวบทไงมันแค่แค่คำพูดของสาลับเนี่ยมันมันไม่ใช่ตัวบทเราก็ไม่ใช่นะมันไม่จําเป็นหรอกว่าเออความสุขนี่ยที่จะต้องโอยมีจํานวนคงคิดว่าเออเพราะสมัยโน้นนะพวกกษัตริย์คนรวยเนี่ยเวลากินทีหนึ่งก็คนรับใช้เนี่เป็นสิบสิบอชาวสวรรค์นี่ยไม่แพ้เป็นมืออย่างเงี้ยเออคิดตัวเองว่า นาจะใช่ น, ชนะาานี่น่าจะใช่นะแต่สรุปแล้วก็บอกว่าดาว่าอันนี้เอาเอาตามเขาบอกว่าตามสํานวนตามตัวเลยดาวา่าองุ์การขอหมายถึงว่าเขาจะขออะไรนี่นะสุภานะกลรอหุมม่ะมีอะไรงานบอกว่าอยากจะกินองุน่นอยากจะกินอะไรเนี่ยสุภาพนะก็รอหุมม่ ะ, ะมาเลยก็จะเอามาให้เลยไม่ต้องขอเมนูห น, น่อยแล้วก็ติ๊กเมนู กำิ้งเมนูแล้วเนี่ยมีถูกบ้างผิดบ้างอะไรเงี้ยสั่งอ่า ง, งุนนะเป็นทัพทิมอะไรเงี้ยนะไม่ใช่นะเออ <c oughs> แค่สุพานะก็รอหุมมานีมน่มาอะไรก็เอามาละสิ่งที่เราต้องการโดยที่ไม่ต้องเอ่ย <c oughs> <c oughs> บางอะไรงานบอกว่าสิ่งที่เราทําแล้วก็ต้องการใช้เวลาปรุงอย่างเช่นจกะกินอะไรที่มันต้องปรุงอะนะแค่แค่จินตนาการนะแค่จินตนาการมาเลยก็จะนํามาให้แล้ว แต่อีกทัศนาหนึ่งอกว่าไม่ใช่คือนอกจากว่าสวรรค์เขาเนี่ยเขามีความสุขสาราญมีความเกษมสาราญนี่ที่ที่ที่อยู่ในอายะก่อนหน้านี้นอกจากความสุขต่างๆนี่นะความสุขของเขาเนี่ยด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อันดหสดนึ่งท่านนบีซุลแลลลอฮฺอัลลอฮเลมบอกว่าชาวสวรรค์นี่อุลฮัมูนัททศบีฮะ ก็มาอยู่แหลมูนันเนเขาจะถูกสอนให้สรรเสริญอัลลอฮ์เหมือนถูกสอนให้หายใจในสวนสวรรค์นี่หายใจยงไงเนี่ยมันจะมีการสรรเสริญโดยปริยายสรรเสริญตลอโดโดยปริยายสุบฮ่านะก็รออุมมาเป็นการเป็นการกล่าวอันมีความสุขสําหรับชาวสวรรค์วะะ่าแต่ฮียาตูมและคำทักทายของพวกเขา ในนั้นแหละในคือในสวนสวรรค์เนี่ยคือความสันติสุขอัสสลามทักเฮียตูฮองฟิฮัสสลามสลามนี่อัลลอฮกะทักทายเราด้วยสลามสลามุนโคลัลมิรรับบิลรุฮิมอัมตาซุลยุอิยูฮ์ลูชิลลาฮุคุนบิอัลลาห์ลามั้นสลามะ การทักทายของเขาเนี่ยมีแต่สลามสลามอย่างเดียวและนี่ก็หมายถึงอัลลอฮ์ก็จะทักทายด้วยสลามและเราก็จะทักทายด้วยกันด้วยการสลามแต่ไอ้เตุมฟีฮะสลามแล้วอะไรก็จะทักทายด้วยสลามมุสลิมจึงบอกว่ามุสลิมต้องภูมิใจว่าการทักทายของเขาเนี่ยคือการทักทายของชาวสวรรค์ งใจว่าการทักทายของเขาเนี e ่ย so คือคาทักทายที่พระเจ้าทักทายชาวสวรรค์ซลาะเลกุมทุกที่ต๊ะุกกิจมวระทอัลฮัมดุลิลลาฮิรบบิลามทุกตทุกกิจกรรมในสวนสวรรค์เนี่ยจะถูกปิดท้ายด้วยอัลฮัมดุลิลลาฮิรบบิลามสุดท้ายแห่งการขอพรของพวกเขาหรือ กิจการใดๆในส่วนสวรรค์ทั้งหลายเนี่ยการสรรเสริญเป็นของอัลลอฮฺอัลฮัมดุลิลละห์พระเจ้าแห่งสากลละโลกซึ่งในคุรานนี้ก็มีพูดถึงเรื่องอัลฮัมดุลิลละเนี่ยตอนเริ่มต้นแล้วก็ตอนปลายตลอดเวลานี่มีมีหลายมีหลายหลอาะที่พูดถึงเรื่องนี้เพราะ การสเสริญหรือการขอบคุณอัลลอ์โดยการสเสริญอัลลอ์ุบฮานวดาลนี่คือคำสรเสริญที่เลิกที่สุดที่อัลลอฮ์สุบฮานาหัวดาลลพอพระทยนอิมามอิมามุสลิมท่านนบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิสซาลามะวะวะัลฮัมดุลิลลาฮิเตมลอ أو เมลอานิคว่าอัลฮัมดุลิลลาฮินสามารถบรรจุผลลบุญของมันเนี่ยของสองคำเนี่ย ของ الحمد لله ระหว่างชั ang, ้นฟ้าและแผ่นดินบรรจุผลละบุญได้แต่ระหว่างชั้นฟ้าและแผ่นดินทั้งหลายตาละอานิมา بين السماء والارض นั่นด้วยความปรเสริฐของขำวอัลฮัมดุลิลลาห์เพราะฉะนั้นในการบรรยายในการพูดคุยสมควรที่จะเริ่มต้นด้วยอัลฮัมดุลิลลาห์และสมควรที่จะปิดท้ายด้วยอัลฮัมดุลิลลาห์ฉะนั้นใน د ع อ ء ปิดประชุมทุก ครั้งเนี้ยนบีก็จะสอนให้กล่าว س hey, uh, ب ح านักราหูมบิฮัมดิกะอ ش ه د أن لا إله إلا أنت سَهْرُكَ أَدْوَلِهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى ن เวลาเยอะละมีค so. <c oughs> mm ํารรมไหมอมไม่ไม่มีใครได้ยินไม่มีใครได้ยินเสียงอัลลอฮ์นอกจากท่านนบีมูซาในโลกนี้นะที่สนทนากับท่านนายูซา เท่านั้นไม่มีคนอื่นแต่การที่อัลลอฮ์ให้ท่านนบีมูซาได้ยินและก็สนทนากับพระองค์ที่บุเขาอัตูนั้นก็เป็นเฉพาะเป็นอภินิหารให้ท่านนบีมูซาท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุซุลเลาะห์ก็ไปสนทนากับอัลลอฮ์แต่ไม่ใช่ในโลกนี้นู่นนาบัลลังตอนที่ท่านนบีไม่อราชไปไม่อราช ในโลกดุ ن านี้ท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุลฮิลมก็ไม่ได้ได้ยินเสียง Allah แต่ในวันปรโลกนี่ทุกคนเนี่ยก็จะได้ยินเสียง Allah ซึ่งเราเราจะให้ความสามารถไงเลาจะให้ความสามารถกับอวัยวะของเราทั้งหูทั้งตาเนี่ยที่สามารถเพราะตัวท่านนบีมูซายได้ยินเสียง Allah ก็อยากได้มากกว่านั้นก็คืออยากเห็น Allah รบบิอรนีอลอรอีอเาได้ยินเสียงแล้วอยากขอเห็นพระองค์ท่านหน่อย แล้วก bon e e ็ส่วนอัลลอฮ์บอกว่าได้มีให้ส่วนหนึ่งของพระองค์เนี่ยเสด็จเสด็จบนภูเขาในกุณอานไม่ได้บอกคุณอ่านได้บอกว่าเฟลมาเตจลละพอพระองค์เนี่ยได้เสด็จกับภูเขาลูกหนึ่งไม่ได้บอกว่าเสด็จยังไงแต่มีบางรายงานบอกว่าเท่ากับปลายนิ้วเท่ากับปลายนิ้วของเราอะนะบนภูเขาเนี่ยของอัลลอฮ์เนี่ย ทาให้ภูเขาเนี่ยแตกไม่มีชิ้นดีเลยเอาแล้วก็แล้วก็ถ้าเห็นอัลลอฮ์อย่างสมบูรณ์ในวันเกียร์มาเนี่ขนาดภูเขาะอะยังทนไม่ได้เลยแค่ไปนิว้วอะแล้วก็เราอุลมามะได้บอกว่านั่นอุลามะบอกว่าวันเกียร์มาจะเห็นแสดงว่าเราจะอํานวยให้เราได้เห็นให้เราได้ยินเห็นพระองค์แล้วก็ได้ยินเสียงพระองค์ ยังไงเราก็ไม่รู้แต่เราก็เชื่อว่าพระองค์ทําได้ครับก่อนนอนนะครับสองกันอันนี้ก่อนนอนที่สองกันเออจะได้นะละานชันสอง่นไม่ได้เออดนะละาชนก็บางคืนท่านนบีก่อนนอนนี่ก็จะละมานเมืก็ไม่ละมาดก็เป็นสุนัขบางอย่างนะที่ท่านนบีอลละยวไม่มช่สุนัขหมวกกันจ้ะ จะเป็นไปได้นะครับว่าอาจจะอุลมามะบางท่านบอกว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของละหมาดเกี่ยมุลเลลที่ท่านนวีได้ละหมาดก่อนนอนก็ได้อแต่มีอุลมามะบางท่านนี่ไม่ใช่นี่เป็นสุ น, นัขก่อนนอนที่ท่ามีช่ละหมาดสองประกาแต่มันชัดเจนว่าท่านไม่ได้ทําเป็นประจำงานนี้ชัดเจนครับครับอืมยังไงทําให้ดูหน่อยนี่ทำสมาธิเนี่ก็หมายถึงว่าตามมโนภาพที่เราได้เห็นกันน่นนะสมาธิเนี่มี คนที่ถามใครสมาธิเนี่ยตามที่พวกเราได้เห็นกันนะมีมีอยู่มีอยู่อยอยสองศาสนานี่ที่ก็มีทำสมาธิมีมีศาสนาพุทธและศาสนาฮินดูถ้าหมายรวมทำศาสนาทำสมาธิเหมือนศาสนาพุทธแล้วก็ฮินดูเนี่ยตามรายะเอลยของเรื่องนี้ไม่ได้แน่นอนแน่นอนเป็นการเลียนแบบศา ส, สนากิจของศาสนาอื่นนี่ไม่ได้แน่นอน แต่พอวันนิยามเราทําสมาธิหมายถึงว่านั่งแล้วก็สิกุลละนี่บางคนบางคนชอบถามถามแบบเออแล้วก็สุดท้ายนี่มันก็ไปบรรจบที่สิกุลละนี่แหละแต่เราคือเรายืมหยิบยืมใช้คําว่าสมาธิเนี่ยในสิ่งที่เราแต่เหมือน่ะเราและหมาต้องมีสมาธินะนะักวิชาการบางคนเนี่ยคือไม่อยากให้ใช้เลยจะได้ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทําไม่เป็นได้เราใช้แล้วก็นิยามแล้วเข้าใจตาม สิ่งที่ถูกต้องที่เราทาารําอ่ะฮ่อเอ็งละมาให้มีสมาธิอแปลว่าอะไรสมาธิแปลว่าความคิดความออะไรนี่มันต้องอยู่ในในในเอ่อในสิ่งที่เรากําลังทําอยู่อ่าเหมือนก็ต้องนั่งสมาธินี่บอกว่านั่งสมาธินี่หมายถึงว่าเราต้อ ง, <Yeah. S 1> องปัญญาของเราเนี่ยต้องอยู่ตรงไหนใจเข้าไอ้ใจออกมันต้องอยู่ตรงนี้อยไปอยู่ตรงเลื่อนอะรเนก็เหมือนเหมือนเนี่ยเราตอนละมานี่เรานึกในกุตตานนึกใน ถ้าที่เรากำลังละหมาดอยู่เป็นถ้าอะไรเนี่ยนึกอยู่ตรงนั้นนะสมาธิก็นิยามถูกต้องไม่ผิดถ้าเราบอกว่าทําสมาธิแบบนี้ตามรูปแบบนี้แต่ไม่แบบนี้ก็โอเคไม่ไม่ขัดข้องแต่ถ้าเราเข้าใจว่านั่งสมาธิเหมือนที่เขาทำานะเพราะเดี๋ยนี้มันก็เป็นแฟชั่นแล้วะ <c oughs> นั่งสมาธิแล้วก็มีโยคะด้วยนะอ่าโยคะกับสมาธินี่ก็อาโยคะนี่ก็คือชื่อ ทางการของสมาธิในศาสนาฮินดูขด เ, นเขาเรียกวิโยคะอ่าพุทธยเขาก็ไม่ได้กิโยคะเขรียกสมาธิแลนี้เขาก็บอกว่าโยค้านี่รักษามะเร็งได้น ะ, ะโยค้านี่รักษารักษาเอ่อกล้ามเนื้ออักเสบด้วยนะทําไมอ่าก็ทําแบบนี้นะก็แต่เงื่อนไขเข า, ขาเนี่ยชัดเจนโยค้านี่ก็ต้องหันหน้าไปทางดวงอาทิตย์ต้องนั่งท่านี้สมาธิ ในศาสนาพุทธก็เหมือนกันก็ต้องนั่งท่านุนท่านี้ต้องมีคิดมีอะไรเข้าอะไรออกอะไรถ้าเป็นแบบนั้นก็ไม่ได้นะครับแันนี้นะครับอัสลัมวะาอัลลอฮวะลาเบีลมุฮัมมัดอัลลสัลลิยุสซิยุสสามาลห์มุ์